ขณ น, น, นี้จำนวนหนังสือไม่พอหากพวกโยมแบ่งกันอ่านโดยใช่หนึ่งเล่มต่สองคนอย่างนั้นพอจะทำได้หรือเปล่าเอาก็สวดไปแล้วนเมื่อกี้เนาะเรื่องอธิบายคงก็อธิบายทุกวันอยู่แล้วในสองวันเนี่ยเรื่องอธิบายสถิติประธานสูตรเท่านั้นเลยนะแต่อธิบายเป็นภาษาเลรภาษาไทยจะ ย, ยกภาษาบาลีมาคงฟังไม่รู้เรื่องนะเนี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 เป็นอวิชานามรูปที่ประกอบด้วยอวิชาถ้ารู้ขึ้นด้วยความรู้เนือ้อรู้ตัวนามรูปนี้เป็นนามอ่าคือสตินี่แยกและแยกเอาอะไรออกไปเอาความหนักออกไปความรู้คือนามก็ปรากฏแยกเอาหนักออกไปตัวรู้ปรากฏคือนามแยกออกมาละนี่วิธีแยกแล้วคิดสมมุติเราคิดเรื่อง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 เป็นสิบสองใช่ไหมปริวัติแล้วเป็นสิบสองสามอย่างเนี่ยปริวัติเราเป็นสิบสองนะรู้กายก็สามรอบรู้เวทนาก็สามรอบรู้จิตก็สามรอบรู้อารมณ์ก็สามรอบก็สามสี่สิบสองเหมือนกันลักษณะอย่างนี้นะ <c oughs> อันนั้นเองกายในกายจิตในจิต อ, อ๋นี่เป็นภาษา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 จะด่าคนเนะ่ะถ้าไม่ด่าคนท่านด่าที่อะไรอวิชา <c oughs> กับมิจฉาทิถีแค่นั้นท่านบอกว่าคนนี้ชั่วคนเพราะจริงคนมันไม่ได้ชั่วได้เสียหรอกนะแต่เพราะมันมีมิจฉาทิถีมีอวิชามันถึงเป็นอย่างนั้นแทนที่จะไปฆ่าคนใช่ไหมแค่เอาอะไรออกเอาอาวิชาออ ก, อาอาออกคลนนับเป็นคนเหมือนเดิมพระองคลีมานใช่ไหม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 แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะแต่ว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเขาบอกชาวพุทธเราไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้จะไปโทษใครใช่มถ้าเขาว่าเราไม่ดีโอเคเราไอ่กแต่ว่าชาวพุทธแล้ไม่ดีโดยรวมเนี้ยลักษณะสมมุติที่ซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างทำใจยากเราจะว่าไงเราจะไปโกรธเขาไม่ได้จะไม่โกรธก็ไม่ได้ทาใจยากใช่ไม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 สุขเจ้าก็ถามว่าทำไมยิงสึกอ่ะโอ้ระเบียบศีนเยอะแยะท่านคงรักษาไม่ไหวละผมถึงไปไม่ต้องไปรักษาระเบียบยุ่มหยุ่มเนี้ยยากยุ่งยากมเ่ยมันเยอะเกินไปเอา้าถ้าเยอะเกินไปก็ลดเหลือให้น้อยๆเดียลดได้เลยได้เหมงันนแล้วเธอจะเอาสักกี่ข้อเดียวห้าข้อพุทธเจ้าห้าข้อเยอะไปเหมือนนเอาข้อเดียวพอพ <laughs>